สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายทห ร, ร ค, นคนชอบเล่าคลิปนี้ก็จะขอตามใจท่านสมาชิกที่อยากจะฟังเรื่องเกี่ยวกับผีปโป่งผีป่าบ้างนะครับพอดีผมไปเจอข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมาเลยอยากจะนํามาเล่าสู่กันฟังแต่หากว่าเนื้อหาที่จะเล่าไปซ้ําของใครก็ต้องขออภัยนะครับดินปโป่งกับผีปโป่งนั้นเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนตั้งแต่ครั้งสมัยปู่ย่าตายายเกี่ยวกับเรื่องการหากินของสัตว์ป่าไม่ว่าจะไปกินน้ําดินโป่งหรือว่าลูกไม้ก็ตาม สมัยนั้นเชื่อกันว่าสัตว์ป่าแต่ละฝูงจะมีผู้ซึ่งคอยดูแลอยู่หรือที่เรียกกันว่าเจ้าของสัตว์ป่าซึ่งเขาจะคอยควบคุมสัตว์ป่าแต่ละตัวให้อยู่ในกฎตัวไหนที่เกเรนิสัยไม่ดีก็มักจะถูกคัดออกการคัดออกในที่นี้ก็หมายถึงให้กลายไปเป็นเหยื่อของพรานซึ่งพรานป่าในสมัยก่อนนั้นมักจะทิ่ฐานขอสัตว์ป่าที่เกเรก่อนที่จะเข้าไปล่าสัตว์ดังมีเรื่องเล่ากันว่าครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งได้เข้าไปนั่งห้างล่าสัตว์ ในดงดิบทึบแห่งหนึ่งซึ่งเป็นบริเวณที่มีสัตว์ป่าชุกชุมมากในระหว่างที่รอสัตว์มากินลูกไม้อยู่นั้นก็มีลมพัดมาวูบหนึ่งหลังจากนั้นก็เห็นคนคนหนึ่งซึ่งใส่กางเกงแบบโจงกระเบนสีแดงไม่ใส่เสื้อมีผ้าสีแดงโพกที่ศีสับยืนอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็เดินหายไปเข้าไปในป่าอยู่สักครู่หนึ่งก็มีฝูงหมูป่าเข้ามากินลูกไม้ชายคนนั้นเห็นจึงรีบยกปืนขึ้นพนมมือและทิฐฐานว่าขอสัตว์ป่าที่เกเรสักหนึ่งตัวได้เถอะ สักพักสัตว์ป่าค่อยทยอยกลับเข้าไปในป่ากันแต่ยังเหลืออีกตัวหนึ่งซึ่งไม่ยอมกลับไปไหนยังคงมุ่งหน้ากินลูกไม้แบบไม่หยุดหย่อนเขาจึงยกปืนขึ้นเล็งลำกล้องไปยังหมูป่าตัวนั้นแล้วก็ลั่นไกออกไปปังเสียงปืนนั้นดังสนั่นป่าพร้อมกับเสียงร้องของหมูป่าตัวนั้นมันลม้มลงและดิ้นอยู่บนใบไม้แห้งสักพักก็หยุดแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นสายผู้นั้นรีบบรรจุ ก, กระสุนปืนและนอนเฝ้าหมูตัวนั้นอยู่บนห้างจนกระทั่งถึงเช้าจึงลงมาเอาหมูกลับบ้าน ดินโป่งนั้นถือเป็นอาหารโปรดของสัตว์ป่านานาชนิดซึ่งแต่ละแห่งนั้นก็แตกต่างกันออกไปบางแห่งนั้นก็มีสัตว์ป่ามากินอย่างชุกชุมแต่บางแห่งก็แทบไม่มีสัตว์ตัวใดเข้ามากินกันเลยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับดินโป่งแห่งหนึ่งซึ่งชื่อว่าโป่งเขาแหลมดินโป่งแห่งนี้มีสัตว์ป่ามากินกันอย่างชุกชุมทำให้พรานป่าต่างมานั่งห่างกันเป็นประจำแต่ทว่าแต่ละรายนั้นก็เจอกับเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดต่างกันออกไปบางคนก็ได้ยินเสียงของสัตว์ป่านั้นมากินดินนนโปป่งงกัเ็ฝู แต่เมื่อเวลาเปิดไฟฉายส่องดูแล้วกลับไม่เห็นแม้แต่วิวแววของสัตว์สักตัวเดียวบางคนไม่เห็นสัตว์ป่าเต็มที่แล้วแต่พอจะยิงมันก็อัติทานหายไปต่อหน้าต่อตาจนทําให้โป่งนี้กลายเป็นโป่องอาถรรพ์เพราะต่างก็ว่ามีผีโป่งนั้นสิงสถิตยอยู่แม้เวลาจะผ่านไปเนิ่นนานมากแล้วแต่โป่งแห่งนี้ก็ยังมีร่องรอยของสัตว์ป่ามากินโป่งกันอยู่ชุกชุมเช่นเดิมแต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะเข้ามานั่งห้างที่นี่อีกจนกระทั่งมีบุคคลคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่คนในหมู่บ้านแถบนี้ ซึ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่และได้ไปเที่ยวป่าและได้ไปพบกับโป่งแห่งนี้เข้าเขาจึงได้มานั่งที่โป่งนี้แล้วก็ได้พบกับเหตุการณ์เช่นเดียวกับที่คนอื่นๆเคยผ่านพบมาและจากประสบการณ์การเที่ยวป่าของเขานั้นทําให้เขารู้ได้ว่าในโป่งแห่งนี้ยังคงมีวิญ ญ, ญาณของสัตว์นานาชนิดที่ยังคงวนเวียนอยู่ไม่ได้ไปผุดไปเกิดเขาจึงได้ทําพิธีปิดโป่งโดยการนํำปลอกของลูก ป, ปืนที่เคยยิงสัตว์มาฝังไว้ที่โป่งแห่งนี้เพื่อเป็นการปลดปล่อยวิญ ญ, ญาณของสัตว์เหล่านั้นออกไป ไม่นานป่งแห่งนั้นก็กลายเป็นโป่งร้างไม่มีแมลงสัตว์ตัวใดเข้าไปกินกันแต่เรื่องราวของโป่งแห่งนั้นก็ยังเล่าสืบต่อกันมาทีนี้มาพูดกันถึงผีป่งดงดํากันบ้างวิญญาณของสัตว์ที่ถูกฆ่าตายตามโป่งมันมักจะผูกอาฆาตพยาบาทมื่อมีโอกาสมันจะใส่ยาลงไปในตัวคนตามป่าทั่วไปนั้นเราจะพบสัตว์ป่าที่มากินดินโป่งซึ่งเป็นดินที่มีธาตุอาหารพิเศษบำรุงให้สัตว์สมบูรณ์ตามธรรมชาติไม่ว่าจะสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่จะต้องกินโป่งหรือง้วนดินเสริมพลังงานให้ตน ดินปงในแต่ละที่ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปบ้างตามความเข้มข้นของธาตุอาหารในขณะเดียวกันธาตุอาหารเหล่านั้นบางครั้งก็มีพิษต่อคนบางคนเช่นกันที่มีความต้านทานไม่เพียงพอหากเดินเข้าไปใกล้หรือไม่ได้ลงไปในดินโปง่งก็อาจจะเกิดอาการที่เรียกว่าผีโป่งใสยาอันคำว่าผีป่งดินดำนั้นก็อย่างที่บอกว่านั่นคือวิญญาณของสัตว์ที่อาฆาตพยาบาทซึ่งมักจะถูกฆ่าที่โป่งแห่งนั้นและวิญญาณก็มักจะถูกจองจำอยู่ตรงนั้นเฝ้าอยู่ตรงนั้นวนเวียนอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหน บางครั้งหากมันสบโอกาสเมื่อเห็นคนหลายๆคนกําลังจะส่องสัตว์กันมันก็อาจจะจําแรงแปลงกลายเป็นสัตว์เข้าไปบดบางคนใดคนหนึ่งในกลุ่มนั้นเพื่อที่จะทําให้คนอื่นนั้นมองเห็นคนนั้นว่าเป็นสัตว์ป่าและหลงเข้าใจผิดว่าเป็นสัตว์จึงได้ยิงร่างของผีสัตว์ที่กําบังกายของคนคนนั้นไว้ปรากฏว่าเมื่อสิ้นเสียงปืนกลับเกิดเสียงร้องโอดโอยโ ค, รครุนครางกลับกลายเป็นว่าพรานรสัตว์ยิงพรานด้วยกันเองดังที่มีข่าวให้เห็นสุดท้ายก็กลายเป็นผีเฝ้าโป่องอยู่กับมียางถุงสัตว์ที่่่ตตนเอองลาไป ตามเวียนตามกรรมบางครั้งวิญญาณของผีโป่งนั้นก็จะใส่ ย, ยาหรือง้วนพิษโปง่งลงไปในตัวคนที่เดินตามล่าสัตว์ตามโปง่งจนมีอาการหัวเข่าบวมเป่ง เ, เรียกกันว่าโรคโปง่งและหากรักษาไม่ถูกทางเนื้อตอนหัวเข่าก็จะเปื่อยยุ่ยกระดูกภายในเข่าจะผิดปกติเกิดอาการเจ็บปวดทรมานเหมือนว่าเป็นคนขากุดขาด้วนแต่หากบางคนไปรักษาได้ถูกทางก็จะเพียงแต่อาการบวมจะยุบตัวลงแต่ถึงว่าหายแล้วก็จะเดินกระโโปกกระเพกไม่สมประกอบตามปกติที่เคยเป็น ผีโป่งดำนั้นถือว่าเป็นความเชื่อที่มีมานานกับชนชาวเหนือถ้าจากผีโป่งมาก็มาฟังเรื่องวิถีพรานของคุณศิลสวรรค์เสกกันสักเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนายสอรพรานผู้นั่งห้างที่คุณศิลปนั้นได้แชร์อยู่ในเว็บเว็บหนึ่งเรื่องราวมันมีอยู่ว่านายสอขึ้นห้างบนต้นไม้กลางโป่งอย่างคล่องแคล่วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาก็มานั่งห้างที่โป่งแห่งนี้ที่แรกเขาคิดไาจะขัดห้างใหม่ตรงง่ามไม้ใหญ่ที่ต่ํากว่าเดิมแต่ประสบการณ์อันช่ำชองขอ ง, ของเขาก็บอกว่า มันต่ําเกินไปเถราหากมีลมโชยมาอาจจะทําให้สัตว์ป่าที่ซุ่มอยู่บริเวณโป่งนั้นได้กลิ่นของคนและอาจจะไม่ยอมลงโป่งซึ่งมันไม่คุ้มที่จะแลกกับความสบายเมื่อขึ้นไปถึงห้างซึ่งอยู่เกือบจะถึงยอดไม้นั้นในสอก็มองสํารวจบริเวณโป่งโป่งแห่งนี้เป็นโป่งที่ใหญ่ที่สุดในป่าห้วยขาแข้งกินอาณาบริเวณเกือบหนึ่งไร่มีน้ําขังอยู่กลางโป่งเป็นปลักๆและเมื่รอยควายป่าลงไปนอนทุกปลักรอบโป่งนั้นยืนล้อมด้วยป่าทึบในโป่งไม่มีต้นไม้อื่นอีกเลย มีเพียงต้นไม้2ต้นบนเดินดินกลางป่งและหนึ่งในนั้นก็คือต้นที่เขาขึ้นไปนั่งห้างนี้เองช่วงบ่ายตอนเดินทางมาถึงที่นี่เนสอก็ได้เดินสำรวจป่าแถบนี้เขาเห็นรอยเท้าช้างเสือกระทิงควายป่าและสัตว์ต่างๆอีกมากมายอันแสดงว่าช่วงนี้สัตว์ลงป่งกันเยอะการมองและจำแนกรอยเท้าสัตว์ป่าเป็นของที่เนสอ์ชำนาญมากพอๆกับการแยกแยะผักสวนครัวของแม่บ้านตามวิถีพรานผู้เจนไพรในการล่า ในสอจะเดินเข้าป่งตรงป่าทึบเพื่อหลีกเลี่ยงการเดินตามทางของพวกสัตว์เพราะกลัวว่าอาจจะทิ้งกลิ่นเอาไว้ถ้าหากสัตว์เกิดผิดกลิ่นอะไรมันก็จะไม่ยอมลงมากินป่งกันโดยเฉพาะสัตว์ใหญ่ยิ่งมีจมูกไวต่อการดมกลิ่นมันเป็นสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดของสัตว์ป่าแต่นั้นก็ไม่ได้ลึกซึ้งแหลมคมเท่าเล็ดเล่ในการล่าของในสอเลยในชีวิตพรานนี้ในสอจะล้มเฉพาะสัตว์ใหญ่อย่างจะพวกวางกระทิงควายป่าและช้างที่มีงานงาม เสือโครงนั้นเขาก็เคยยิงมาแล้วหลายตัวไม่ใช่เอาเนื้อหากแต่ถลกหนังกับหัวมันเท่านั้นด้วยความที่เป็นพรานมือชาตและชอบล่าสัตว์คนเดียวทําให้กิติศัพท์ของเขาเป็นที่รู้จักไปทั่วไม่เฉพาะหมู่บ้านริมป่าแถวสุพรรณบุรีแม้ในพรานแถวอุทัยธ า, ยานีก็รู้จักเขาดีพรานหนุ่มๆต่างยกย่องชื่นชมในความกล้าแต่พรานอุโสนั้นต่างรู้สึกกลัวเกรงว่านในสอจะพลาดท่าโคศกวันหมายถึงเสือทีให้พงไพรซึ่งมันไม่ใช่เฉพาะแค่สัตว์ร้าย รวมถึงอาถรรพ์ของป่าดิบด้วยในเรื่องของอาถรรพ์ป่าดิบนี้เคยมีพรานหลายคนที่พลาดท่าในขณะที่มานั่งปงุ่งบางคนว่ามีเพื่อนมาเรียกให้ลงไปเพราะเมียท้องแก่ที่บ้านจะคลอดลูกพอตายลงถึงพื้นดินเพื่อนคนนั้นก็กลับกลายเป็นเสือลายพาดกรอนและตะปบกินในพรานคนนั้นบางคนก็เห็นเป็นงูเลื้อยเข้ามาจะฉกจึงคว้ามีดฟันแต่กลายเป็นว่ากลับฟันเชือกที่มัดนั่งร้านตกลงมาตายแม้ว่าจะได้รับคําเตือนอยู่ตลอดแต่ในสก็ไม่ฟัง กลับคุยขมซี่อีกว่าตนเคยนั่งห้างมาที่นี่หลายครั้งแล้วไม่เห็นว่าจะมีอะไรที่น่ากลัวนําซ้ำยังล่าสัตว์ได้ทุกครั้งและอีกอย่างตนก็มีคาถาอาคมมากพอที่จะเอาตัวรอดได้ก่อนค่ำในสอล้วงเข้าหอใบตองออกมากินเสียงสายลมรูดระนาดใบไม้เป็นระรอกผสานกับเสียงกระแสน้ำเชี่ยวชนแก่งมาจากห้วยประดุดดังดุริยางธรรมชาติขับกล่อมให้เจริญอาหาร ห่างไปไม่ไกลมักมีนกยูมคู่หนึ่งกรีดร้องขณะโผบินขึ้นเกาะคอนบนยอดตะเคียนในสอเปิบข้าวเข้าปากพลางมองดูมันเขาไม่ยิงนกชนิดนี้แม้ว่ามันจะตัวใหญ่และมีเนื้ออันไม่ด้อยกว่าสัตว์ปีชนิดใดเหตุผลเพราะว่ามันมีขนสวยช่วยสร้างสีสันให้กับป่าดิบเขาเคยยิงมันครั้งหนึ่งด้วยความขนองปากและรสชาติจากเนื้อของมันนั้นก็ไม่ทำให้ลิ้นของเขาต้องผิดหวังเพอกินข้าวเสร็จเขมโมยาฉุนด้วยใบตองแห้งบรรจงจุดดูดอย่างสบายรม์ สำหรับชีวิตพรานป่าแล้วยาชุนเป็นอะไรได้หลายอย่างเป็นยาห้ามเลือดหากเกิดแผลใช้ชุบน้ำบัดมาทาขณะเดินฝ่าดงทาง่าปริงบกพวกนี้เกลียดบินของยาชุนพอๆกับผีกลัวใบหนาดและประการสุดท้ายยาชุนมันช่วยให้การนั่งรอสัตว์ลงมากินดินป่งของเขาผ่านไปแบบไม่เปลี่ยวเหงาและเหน็บหนาวเกินไปนับตกดึกสายลมอ่อนโยกห้างบนยอดไม้เบาๆในสอนั่งรอในความเงียบมันเงียบมากเสียจนได้ยินเสียงความดีกับความเลวในตัวเองทะเลาะกัน ความดีพร่ำบอกกําไนสอว่าการที่เราทําแบบนี้มันเป็นบาปเราควรเลิกชีวิตในพรานเสียจะได้อยู่กับบ้านกับลูกกับเมียไม่ต้องมานั่งทรมานทั้งคืนอย่างนี้แต่ความเลวกลับบอกว่าการล่าสัตว์เช่นนี้ถูกต้องแล้วพระชีวิตป่าจะอยู่ได้ด้วยการล่าทั้งสัตว์ฆ่าสัตว์เองและคนฆ่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารแต่เราล่าสัตว์เพื่อขายนี่ไม่ใช่ล่าเพื่อเอาไปกินเสียงของความดีสวนกลับก็เรามีทั้งลูกและเมียที่ต้องดูแลเรื่องปากท้องและความเป็นอยู่ มันเป็นความจําเป็นที่ต้องทําการมีชีวิตในป่าแบบนี้นี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการหาเงินเพราะการขายงาช้างสักคู่หรือหัวกวางสวยๆ ส, สักหัวนั้นหมายถึงเงินก้อนใหญ่สําหรับใช้ในครอบครัวด้านมืดภายในใจก็ถีงไม่ถอยเสียงคลุมครามแหวกป่าลงป่ง ท, งทั้งที่ตะวันตกดึงวิ ญ, ญญาณของพรานสอให้กลับมาเขารัดไฟส่งสัตว์ใส่หนาผากแงนหน้าขึ้นฟ้าก่อนเปิดสวิตช์ฟไฟฉายแล้วค่อยๆลากแสงไฟต่ําลงมาตรงบริเวณเสียงดังเมื่อครู่ วิธีสายไฟเช่นนี้จะไม่ทาให้สัตว์ตกใจเป็นหนึ่งในศาสตร์ของนายพรานซึ่งเขาเรียนรู้มาจากพ่อตั้งแต่เด็กสัตว์ที่ลงมาคือหมูป่าฝูงใหญ่ที่ทยอยเดินลงมาทีละตัวจนกระทั่งตัวสุดท้ายซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นจ่าฝูงตัวมันใหญ่มากและมีเขี้ยวยาวโค้งมันเดินอย่างสุ ข, ขุมและเคลื่อนไหวอย่างเจนจัดเหมือนจะคอยระวังภัยให้กับตัวมันเองและลูกฝูงอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นว่าปลอดภัยดีมันจึงเปลีกตัวไปยืนกินดินโป่งอยู่ตัวเดียว ถ้าจากตรงนั้นไปมีสมเสร็จตัวหนึ่งก้มกินน้ําอย่างกระหายกินให้สบายเถอะข้าไม่ยิงพวกเองหรอกในสอพูดกับสัตว์เหล่านั้นเบาๆไม่ใช่เพราะสงสารพวกมันแต่เนื้อมันน้อยและราคาก็ถูกไม่คุ้มที่จะยิงต่างหาหมูฝูงนั้นแทะดินโป่งอยู่นานแล้วทยอยเดินขึ้นจากโป่งไปจนหมดยิ่งดึกสายลมอ่อนยิ่งทวีความคมมันหอบเอาความเหน็บหนาวอันเบาบางมกรีทะลุเสื้อผ้าสาแรกลงในผิวกายกระทั่งขว้านใจให้สั่นสะท้าน เนี่มันก็ดึกมากแล้วนี่นาะทำไมไอ้พวกตัวใหญ่ๆยังไม่ลงมาอีกในสหล่นลงในห่วงคำหนึงขณะที่แงนดูดาวโจรเริ่มโผล่พ้นยอดไม้ทางทิศตะวันตกดาวชนิดนี้จะเริ่มขึ้นประมาณตีสองอันเป็นเวลาที่เงียบสงัดที่สุดในค่ำคืนและเป็นเวลาที่สัตว์ใหญ่มักจะลงกินดินโป่งแต่รอบบริเวณโป่งนั้นยังเงียบเชียบเหมือนเดิมมีแต่เสียงหยดน้ำค้างทะเละ ก, กับใบไม้ดังเปา ะ, ะแปะเท่านั้นพรานนั้นในสก็ได้ยินเสียงดุนดินดังมาจากรินโป่งทางทิศใต้ เสียงมันเบาเกินไปไม่สามารถจุดความสนใจให้เขาได้แต่เสียงนั้นยังดังอยู่ไม่หยุดด้วยความรำคาญปนความสงสัยเขาจึงสาดไฟฉายลงไปดูเขาจึงได้เห็นตาสัตว์สีแดงสองดวงก้มกินดินโป่องอยู่คํานวณจากความห่างของดวงตาแสดงว่ามันต้องเป็นสัตว์ใหญ่เมื่อเพ่งมองดีๆจึงได้รู้ว่ามันเป็นกระทิงโทนกูว่าแล้วไม่ควายปากก็กระทิงในสอพูดกับตัวเองเบาๆขณะปลดปืนแก๊ปผู้ชีพออกจากไหล ภายในบรรจุดินปืนเต็มอัตราพร้อมที่จะถีบลูกตะกัวเท่านิ้วมือออกมาทุกเมื่ออัตราแรงขับของดินปืนและหัวกระสุนขนาดนี้อย่าว่าแต่กระทิงเลยแม้แต่ช้างก็ล้มได้สบายพอกระทิงตัวนั้นเข้าทางปืนในสองง้างนกปืนบรรจุแก็บแล้วบรรจงเหนี่ยวไกในกรงปืนอย่างใจเย็นปังประกายไฟวาบจากปากกระบอกปืนพร้อมกับเสียงล้มกับปนาดก้องขุนเขาดังสถานสะเทือนป่ากระทิงเถื่อนตัวนั้นซุดลงทันทีมันไม่ตายเสียทีเดียวเพราะในสองไม่ได้ยิงแสกหน้ามัน เพราะจักหากตัดหัวของมันไปขายในสภาพสมบูรณ์จะได้ราคาที่ดีเขาจึงเล็งยิงเจาะเข้าซอกคอไม้ตัดคั่วหัวใจของมันแทนแต่เขาพลาดในสอบรรจุกระสุนใส่รังเพลิงใหม่ไม้จะยิงซ้ำทั้นเห็นมันแน่นิ่งไปเหลือแต่เพียงลมหายใจอันดนุรินจึงไม่ยิงเขาให้รางวัลตัวเองด้วยยาฉุนมวนใบตองแห้งกับแงนดูเดือนเซี่ยวที่เกี่ยวอยู่ดินฟ้าแล้วจินตนาการวางแผนชั่แหลกระทิงตัวนั้นรุ่งเช้าก็าปีนลงจากห้างและเดินตรงไปดูกระทิงตัวนั้น มันนอนจมกองเลือดลืมตาโพลงเหมือนไม่ยอมรับความตายแบบไม่รู้ตัวที่ในสอยจัดเยียดให้หรือนี่ก็คือชีวิตมันคงมีความรู้สึกไม่ต่างจากคนเราเหมือนกันในสอสังเกตเห็นว่ามันยังไม่ตายดีแต่ประสบการณ์อันเชี่ยวชาญบอกว่าเขาไม่จําเป็นจะต้องหยิงซ้ำให้เปลืองกระสุนแค่ใช้มีดอินเนปจัดการกับมันก็พอพรันอินาทีแห่งความหฤเห็งก็พลิกกายเป็นความหฤโหดเมื่อกระทิงตัวนั้นรวบรวมกําลังเฮือสุดท้ายพุ่งขึ้นมาจากกองเลือดใช้เขาอันแหลมคมพิดเข้าท้องของในสออย่างจัง ในสอสะดุ้งเฮือกถอยหลังตาเหลือกถลนดูไส้ที่ทะลักออกมามันคงเป็นภาพสุดท้ายที่เขาบันทึกลงในวิญญาณก่อนเดินทางไปสู่ที่ชอบในรรกเหมือนยังไม่สมแขนกระทิงตัวนั้นพยายามกระเสือกกระสนคลานเข้ามาหมายจะขวิดซ้ำแต่ก็ล้าเรี่ยวแรงเต็มทนจึงฟุบตายคาร่างของในสอตรงนั้นเองเป็นการปิดฉากชีวิตพรานผู้เจนไพรด้วยเขากระทิงทนว่าไปแล้วมันเป็นกติกาป่าในการล่าเพราะฝ่ายที่ถูกกล้าก็มีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวเหมือนกัน บ่อยครั้งที่นายพรานผู้ล่าต้องจบชีวิตด้วยปลายเขาหรือคมเขี้ยวของผู้ถูกล่าซึ่งล้วนเกิดขึ้นจากความประมาทของการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตนั้นจะหวังพึ่งแต่ประสบการณ์เก่าไม่ได้เพราะสถานการณ์ใหม่นั้นพร้อมจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อโดยที่เราไม่ทันระวังตัวซึ่งมันจะเป็นทั้งบทเรียนและบทลงโทษทว่าบทลงโทษอย่างรุนแรงของพงไพรในครั้งนี้ทําให้ในายสอนนั้นหมดโอกาสที่จะได้รับบทเรียนอีกแล้วสิ่งที่เหลือคือทิ้งไว้แค่ชื่อคาโปง่งซึ่งชาวบ้านจะเรียกโป่งใหญ่แห่งนี้ว่า โป่งในศอคู่กับป่าห้วยขาแข้งมาตราบจนถึงทุกวันนี้ครับและนี่ก็คือเรื่องราวของผีโป่งกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับโป่งของคลิปนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการได้รับฟังนะครับหากมีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ